ชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญามีความสุขอย่างอิสระและทำกิจด้วยกาุณาข้อที่สนิโรธคือความดับทุกข์หรือภาวะหมดปัญหาเมื่อได้กล่าวถึงทุกข์หรือปัญหาพร้อมทั้งสาเหตุที่เป็นเรื่องร้ายไม่น่าพึงใจแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงฉลมดวงใจของเวนน ย, ยชนให้เกิดความเบาใจ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 นิโรธอริยสัจจึงตามเข้ามาเป็นลำดับที่สาทั้งโดยความเป็นไปตามธรรมดาของกระบวนธรร ม, มะเองและทั้งโดยความเหมาะสมแห่งกระบวนวิธีการสอนที่ชวนสนใจช่วยให้เข้าใจสอนได้ผลและชวนให้ก้าวสู่การปฏิบัติเพื่อประจักษ์ผลที่เป็นจริงเมื่อกำจัดตัณหาพร้อมทั้งกิเลสว่านเครือที่บีบขั้นครอบงาและหลอนล่อจิตลงได้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 ส่วนอีกด้านหนึ่งเมื่อจิตหลุดพ้นจากกิเลสที่บีบคั้นครอบงำหลอนล่อและเงินปมที่ติดข้องภายในเป็นอิสระผ่องใสโดยไม่มีอวิชชาที่จะมาแสดงอิทธิพลหนุนนำชักยายอีกต่อไปแล้วก็ย่อมมีความหมายว่าปัญญาได้หลุดพ้นจากกิเลสที่บดบังเคลือบคลุมบิดเบือนหรือย้อมสีบริสุทธ์เป็นอิสระ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 แผ่ความรู้สึกอิสระออกไปพร้อมที่จะรับรู้สุขทุกข์ของเพื่อนสัตว์โลกและคิดเกือ้อกูลช่วยเหลือโดยในยานนี้ปัญญาจึงได้กรุณามาเป็นแรงชักนำพฤติกรรมต่อไปทำให้ดำเนินชีวิตเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นได้เต็มที่ในเมื่อไม่ยึดติดถือมั่นอะไรๆในแง่ของกิเลสที่ห่วงหาผูกพันจะเอาจะได้เพื่อตัวตนแล้ว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 ปาริหิตาปฏิบัติเข้าคู่กันเป็นอันครบลักษณะของผู้ที่ได้ประจักษ์แจ้งความหมายสูงสุดของนิโรธอย่างไรก็ตามผู้ดำเนินมรรคาแห่งอริยชนไม่จาเป็นต้องรอผลจนกว่าจะบรรลุนิพพานที่เป็นความหมายสูงสุดของนิโรธเมื่อเดินตามมรรคถูกต้องแล้วแม้ในระหว่างทางก็สามารถประสบผล แห่งการปฏิบัติประจักษ์แก่ตนได้เรื่อยไปโดยควรแก่การปฏิบัติทั้งได้ประโยชน์เองและทำประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยดังที่ว่าแล้วนั้นมากและสูงขึ้นไปตามขั้นด้วยว่านิโรดนั้นมีลดหลั่นลงมารวมด้วยกันถึงหระดับคือหนึ่งวิคัมพนณนิโรดดับกิเลสดับทุกข์ด้วยข่มไว้ โดยทำจิตใจให้สงบเยือกเย็นผ่อนคลายหายเครียดปราศจากความคุณมัวเศร้าหมองหายเร่าร้อนกระวนกระวายด้วยวิธีการฝ่ายสมาธิเฉพาะอย่างยิ่งหมายเอาสมาธิในระดับฌานซึ่งกิเลส ถ, ถูกทำให้สงบไว้ได้เสวยนิรามิสุขตลอดเวลาที่อยู่ในฌานนั้นสอง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 ระวังใจได้ถูกต้องและปฏิบัติต่อทุกสิ่งด้วยท่าทีแห่งความรู้ความเข้าใจทั้งมีจิตใจเป็นอิสระระวังดีมีน้ำใจเมื่อปัญญานี้เห็นแจมแจ้งชัดเจนตรงตามสภาวะก็เรียกว่าวิปัสนาปัญญาทำให้กิเลสและความทุกข์ดับหายไปได้ตลอดชั่วเวลานั้นมีจิตใจสงบบริสุทธิ์เป็นสุข ผ่องใสเบิกบานใจกับทั้งทำให้จิตประณีตและปัญญางอกงามยิ่งขึ้น 3. ส, สมุเฉทนิโรธดับกิเลส ด, ดับทุกข์ด้วยตัดขาดคือบรรลุโลกุตระมากักตั้งแต่โสดาปติมักขึ้นไปดับกิเลส ด, ดับทุกข์ได้เสร็จสิ้นเด็ดขาดตามระดับของมักนั้นๆ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 นิสารณ ะ, ะนิโรธดับกิเลสด้วยสลัดออกได้หมายถึงภาวะที่เป็นอิสระปล่อยโปรงอย่างแท้จริงและโดยสมบูรณ์คือภาวะแห่งนิพพาน